วันนี้เป็นวันพระเป็นวันมงคลเพราะว่าจะมีการกะระทาที่เป็นมงคลนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงสแสดงมงคลสามสิบดคือวิธีสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตสามสิบปดประการด้วยกัน เริ่มต้นที่หนึ่งการไม่คบคนพาลสองการครบบัณฑิตสามบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่คือมงคลล่าสุดสามข้อแรกที่ได้ส่งแสดงไว้ ภาษาบาลีท่านก็ว่าไว้ว่ า, าเซวนาจะบาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาะบูชาจะปูชนิยานังเอตัมมังกลมุตตมังการไม่คบคนผ่านการคบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตวันนี้ญาติโยมก็ได้มาทำการกระทำที่เป็นมงคลสามประการนี้คือหนึ่งไม่คบบัณฑิตไม่คบคนพาลคือไม่ไปสังคมกับคนพาลคนพาลก็คือคนไม่ฉลาดคนที่ไม่รู้บุญรู้บาป รู้คุณรู้โทษส่วนบัณฑิตก็คือคนฉลาดคนที่รู้บุญรู้คุนรู้บุญรู้บาปรู้คุณรู้โทษถ้าไปคบกับคนพาลคนพาลก็จะพาเราไปทำสิ่งที่เป็นโทษเพราะไม่รู้ว่าเป็นโทษเช่นไปเสพอบายามุขต่างๆ ไปดื่มสุรายาเมาไปเล่นการพนันไปเที่ยวเตรนี่คือการกระทาที่เป็นโทษเพราะทำไปแล้วก็จะทำให้สูญเสียเงินทองไปไม่มีรายได้จากการเสพใบายามุกเมื่อไม่มีรายได้ก็อาจจะต้องไปหารายได้โดยวิธี ทำบาปเช่นไปลักทรัพย์ไปช่อโกงไปโกหกหกลอกลวงหรือไปป้นไปจี้และอาจจะถึงกับการฆ่ากันตายได้นี่คือลักษณะของคนพาลคนไม่ฉลาดคนไม่รู้ว่าการกระทำของตอนนั้นมีทั้งคุณและมีทั้งโทษ มักจะคิดว่าการกระทาที่เป็นโทษนี่เป็นคุณเนื่องจากเวลาทานั้นจะมีความสุขเช่นเวลาได้ดื่มโซลาก็มีความสุขเวลาเล่นการพนันก็มีความสุขเวลาได้เที่ยวเตรก็มีความสุขแต่ไม่รู้ว่าผลที่จะตามมาต่อไปนั้นจะเป็นทุกข์ จะเป็นปัญหาต่างๆตามมามแนะวิธีแก้ปัญหาก็แก้โดยวิธีสร้างปัญหาพอเงินทองไม่พอใช้ก็ไปลักขโมยไปโกหกหลอกลวงไปช่อโกงซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ปัญหากลับเป็นการเพิ่มปัญหาตามมาต่อไปจนทำให้ชีวิตนี้มีแต่ บัญหาต่างๆตามมาตลอดเวลานี่คือลักษณะของคนไม่ฉลาดคนผ่านนี้แปลว่าคนไม่ฉลาดตรงตรงข้ามกับบัณฑิตบัณฑิตนี่เรียกว่าคนฉลาดคนฉลาดนี้ก็มีอยู่สองแบบด้วยกันคนฉลาดจริงกับคนฉลาดไม่จริง คือคนฉลาดนี้เป็นคนที่มีความรู้คนที่มีความรู้นี้ก็มีสองลักษณะความรู้ทางโลกกับความรู้ทางธรรมนะก็เรียกว่าบัณฑิตเหมือนกันนะเช่นคนที่จบความรู้ทางโลกในดัดับปิญญาเราก็เรียกว่าบัณฑิตนะปัญญาตรีปริญญาโทปิญญาเอก แต่ความรู้ทางโลกนี้เป็นความรู้แบบความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะคือถึงแม้จะเรียนจบปริญญาตรีโทเอกแต่ความรู้ที่ได้จากการเรียนจบปริญญานี้ยังไม่สามารถทาให้ผู้ที่มีความรู้เหล่านี้ รอดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้นั่นเองเถึงเรียกว่าเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดจะเป็นด็อกเตอร์ก็ยังต้องร้องห่มร้องไห้ยังต้องเครียดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังต้องเสีย อ, อกเสียใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเรียกว่าบัณฑิตปลอม ไม่ใช่บรรดิตจริงบัณดิตจริงนี้ต้องเป็นบัณดิตเป็นผู้ที่มีความรู้ที่เอารอดพ้นจากความทุกข์ได้ผู้ที่รอดพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกนี่ท่านมีความรู้มีดวงตาเห็นธรรมท่านมีอริยสัจสี่ ท่านรู้ใจรักรู้จากอานิจังทุกขังอนั จ, จาอนัตตารู้จากอริยสัจ ส, สี่ทุกสมุทัยนิโรธมั่งใครที่รู้อริยสัจ ส, สีใครที่รู้ใจรักนี้เป็นผู้ที่สามารถเอาตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆได้นี่คือบรรัณฑิตที่แท้จริงผู้มีความรู้ที่แท้จริง เป็นความรู้ที่จะทาให้ผู้รู้นี้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในวันพระเราจึงมาวัดกันเพราะวัดนี้เป็นที่อยู่ของบัณฑิตนั่นเองเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าเช่นพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดบันทึก กันมาตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกก็มีภาพภิกษุคอยท่องคอยจำกันแล้วก็ถ่ายทอดกันมาจนมีการบนันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วในวันพระก็จะมีการเอาพระธรรมคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงให้ฟัง อย่างวันนี้ก็ได้เอามงคลโลสูตรมงคลสามสิบแปดประการอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ตั้งแต่สองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วแต่ก็มีการจดจำมีการถ่ายทอดกันมามีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก มาจนถึงปัจจุบันนี้เวลาไปวัดก็จะได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้เข้าหาบัณฑิตเนี่ยหรือไม่เะนั้นก็ได้ไปพบกับพระอริยสงสาวุของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจ ส, สี เห็นใจรัก <current> ผู้ที่สามารถที่จะเอาอริยสัจสี่และใจรักษณ์นี้มาสอนพวกเราให้เกิดความรู้เกิดความฉลาดขึ้นมาให้รู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาภายในใจพอจะบอกให้รู้ว่าความทุกข์ในใจนี้เกิดจากอะไรนั่นเองถ้า อยากจะดับความทุกข์ภายในใจก็ให้หยุดเหตุที่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาภายในใจพอหยุดเหตุได้ผลคือความทุกข์ก็จะหายไปได้นี่คือการเข้าหาบัณฑิตนะบัณฑิตที่แท้จริงก็คือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่จะให้ความรู้ ที่เรียกว่าโล ก, กุตรธรรมธรรมที่อยู่เหนือโลกโลกอะไรก็โลกแห่งความทุกนี่เองโลกที่พวกเราอยู่กันนี้เรียกว่าโลกของการเวียนว่ายตายเกิดโลกียะเราอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายภพอยู่ในสังสารวัฏหรือวัตฏสงสาร ที่เป็นที่อยู่ของผู้ที่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมยังไม่เห็นอริยสัจสียังไม่เห็นไตรลักษณ์ก็จะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าไม่เห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากตัณหาความอยากนั่นเอง กจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาที่เป็นเหตุที่พาให้จิตใจหรือดวงวิญญาณเวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกจิตใจว่าดวงวิญญาณให้ดวงวิญญาณนี้ไปหาร่างกายอันใหม่เวลาที่ร่างกายของเรานี้ตายไปจิตใจของพวกเราที่มีความอยาก หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็จะเป็นเหตุที่จะดึงให้ใจของเราไปได้ร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปเกิดแล้วพอมาเกิดก็ต้องมาทุกข์กับการดำรงชีวิต ทุกข์กับปัญหาต่างๆที่เราพบกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็มาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายอันนี้คือการเวียนว่ายตายเกิดของผู้ที่ไม่ได้เรียนโล ก, กุตตรธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมที่จะยกจิตใจ ให้ออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนะการที่จะศึกษาโล ก, กุตละธรรมได้ก็ต้องศึกษาจากผู้รู้ท่านผู้รู้โลกุตละธรรมนะผู้ที่รู้โลกุตละธรรมก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุกทั้งหลายเราต้องเข้าหาบัณฑิตเราถึงจะได้เรียนรู้เรื่องของโล ก, กุตละธรรม คือความรู้ที่จะยกจิตใจของพวกเราให้อยู่เหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองให้อยู่ที่พระ น, นิพพานพระนิพพานนี้คือโลกุตตะละธรรมที่อยู่ของผู้ที่มีโลกุตตะละธรรมผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด ไม่ต้องมาทุกข์แบบที่พวกเรากันมังทุกกันอยู่ทุกวันนี้ทุกกับแทบทุกเรื่องทุกกับน้ําทุกกับไฟไฟฟ้าไม่ติดก็ทุกข์น้ําไม่ไหลก็ทุกข์เศรษฐกิจตกต่ําก็ทุกข์มีแต่ความทุกข์ต่างๆให้คอยกังวลอยู่ตลอดเวลาเพราะนี่คือโลกของความทุกข์ ที่พวกเราเลือกมาก็มาเกิดกันเองพวกเราเป็นผู้ผลักดันตัวเรามาเกิดกันเองด้วยความอยากของพวกเราความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจึงทำให้เราต้องไปอยากหาเงินหาทองอยากได้เงินได้ทองกันอยากเป็นใหญ่เป็นโตกัน เพราะเมื่อมีเงินมีทองมีอำนาจก็สามารถที่จะใช้เงินใช้ทองใช้อำนาจหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่การหาเงินหาทองก็ต้องเจออุปสรรคต่างๆหน้านาการหาอำนาจหายศหาตำแหน่งก็ต้องเจออุปสรรค ไม่ใช่ว่าจะได้ตามความที่ต้องการทันทีก็จะต้องมีการสแสวงหามีการต่อสู้กันมีการแข่งแย่งชิงดีกันทำให้เกิดมีศัตรูมีมีผู้ไม่หวังดีต่อกันละกันชีวิตแทนที่จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องมาวุ่นวายกับ สัตรูต้องมาวุ่นวายกับสิ่งต่างๆที่ต้องการแทนที่จะมีความสุขก็กลับมีความทุกข์กันเพราะความไม่ฉลาดเพราะไม่รู้โทษของความอยากว่านำไปสู่ความทุกข์มากกว่านาไปสู่ความสุขกันนั่นเองแทนที่จะมาหยุดความอยากมาล่าอยากรวยกันอยากเป็นใหญ่เป็นโตกัน อยากมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันกลับไปคิดว่าถ้าได้เงินได้ทองมาได้อํานาจได้ยศได้ตำแหน่งมาได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสมาแล้วจะมีความสุขมากมายมาหาศาลแต่แล้วผลเป็นยังไงพวกเราทุกคนนี้แสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกัน สวางหายดหาตำแหน่งกันสวางหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆกันแล้วมันเป็นความสุขตลอดเวลาหรือไม่หรือเป็นความสุขชั่วขณะหนึ่งขณะที่ได้มาเท่านั้นแต่ก่อนที่จะได้มาก็ต้องวุ่นวายใจต้องเครียดกังวลกวายกระสับกระสายไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ พอได้มาก็สุขเดียวเดียวแล้วมันก็จางหายไปแล้วก็ต้องมาเครียดกับการหาใหม่หรือเครียดกับการรักษาสิ่งที่หามาได้ต่อไปนี่แหละคือความทุกข์ต่างๆมันตามมาจากการมีความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เอง ถ้าเราไม่ได้มาคบพบบันเด็ดคือพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าเช่นพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าการหาความสุขตามความอยากนี้เป็นวิธีหาความทุกข์มากกว่าเป็นการหาความสุข วิธีที่จะหาความสุขนี้ต้องหาด้วยการหยุดความอยากต่างๆหยุดความอยากล่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากได้เยอะอยากได้รังวี่รางวัลอยากได้รับการยกย่องสรรเสริญอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะนี่แหละคือ การสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขวิธีสร้างความสุขก็ต้องมาหยุดความอยากเหล่านี้เสียให้ได้วิธีที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ก็ต้องทำต้องมีเครื่องมือต้องมีกระบวนการกระบวนการที่จะหยุดความอยากเรื่อมอยากรวยก็คือ ต้องเอาเงินที่มากกว่าต้องเอาเงินที่จะมาทำให้เรารวยนี้เอาไปทำบุญทำทานเสียอย่าเก็บเอาไว้เป็นของเราเก็บไว้เท่าที่จำเป็นเงินอาเงินทองที่เราต้องใช้ต้องกินต้องอยู่เก็บเอาไว้ส่วนส่วนที่เกินส่วนที่ทำให้เราให้ร่าให้รวยนี้เอาไปทำบุญทำทานพระพุทธเจ้าส่งสอน ขั้นที่หนึ่งของการหยุดความอยากรวยก็คือให้เอาเงินที่จะทำให้เรารวยนี้ไปทําบุญทำทานเสียเราจะได้จนเราจะได้ไม่ทุกข์กับความอยากรวยแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่เราไม่รวยถ้าเราอยากรวยแล้วเราจะไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ารวยล้านหนึ่งรวยหรืออย่างสิบล้านรวยหรืออย่างร้อยล้านรวยหรืออย่าง เราจะไม่รู้ความอยากมันจะหลอกให้เราคิดว่านั่งมีมากขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะรวยพอได้ล้านหนึ่งก็บอกว่ายังไม่พอต้องสิบล้านพอสิบล้านก็ยังไม่พอต้องร้อยล้านถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรารวยหรื อ, อยังเราต้องมาถามพระพุทธเจ้าถามพระอริยสงฆ์สาวกท่านจะบอกว่า ถ้าเราพอมีพอกินแล้วนี่เรียกว่าเรารวยแล้วถ้าเรามีมากไปกว่านั้นมันก็ไม่ได้ทําให้เรารวยมากขึ้นไปแต่อย่างใดเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทําให้เราได้กินมากกว่าเดิมเราก็กินเท่าเดิมเราก็อยู่แบบเดิมเสื้อผ้าเราก็ใช้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราพอมีพอกินมีปัจจัยสี่ พอที่จะให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนแล้วก็ถือว่าเรารวยแล้วพอแล้วถ้าเรามีมากไปกว่านั้นเราก็เอาไปทําบุญทาทานจะดีกว่าเพราะถ้าเก็บเอาไว้มันจะทําให้เราอยากได้เพิ่มขึ้นอีกพอเราได้ล้านหนึ่งก็อยากจะได้สิบล้านพอได้สิบล้านก็อยากจะได้ร้อยล้าน มันจะเพิ่มความอยากไปเรื่อยๆมันจะไม่รู้จักคำว่าพอแล้วมันก็จะมากดดันจิตใจของเราให้ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะมีความสุขกับต้องมาทุกมาวุ่นวายกับการหาเงินหาทองแล้วได้เงินทองมาก็ต้องมาทุกมาวุ่นวายกับการดูแลรักษา แล้วถึงเวลาตายไปก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจเสียดายกับเงินทองที่หามาได้แทบเป็นแทบตายหาไม่แล้วในที่สุดก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรานี้มีความมักน้อยสันโดษให้เรามักน้อยก็คือให้เรา หาเท่าที่จำเป็นมีเท่าที่จำเป็นถ้ามีมากกว่าที่เราจำเป็นจะต้องมีอยากเก็บเอาไว้ดีกว่าเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาส่วนที่เกินนี้เอาไปทำบุญทำทานแล้วจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าได้เงินได้ทองมาเป็นน้อยล้านพันล้าน พอเวลาได้เงินทองมารอยล้านพันล้านก็ดีใจเดียวเดียวดีใจเห็นตัวเลขโอ้ตอนนี้บัญชีในธนาคารเพิ่มขึ้นอีกสองหลักเลขศูนย์เพิ่มขึ้นอีกสองหลักจากล้านหนึ่งก็เป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านก็เท่านั้นเองแล้วมันก็อยู่ในบัญชีไม่ได้เอาไปทำอะไรมันแต่ถ้าเราเอาเอง เงินที่เราได้เพิ่มได้เกินมานี้เอาไปทำบุญทาทานเราจะเกิดความรู้สึกอิ่มเอิบใจสุขใจสบายใจนี่แหละคือความสุขที่ทแท้จริงของใจก็คือการทำบุญบุญนี้เป็นเหตุที่จะทำให้ใจเรามีความสุขการได้ราบได้ยศได้สรรเสริญมานี้ไม่ได้เป็นความสุข ถ้าเป็นความสุขก็เป็นแบบควันไฟได้มาตอนที่ได้มาก็ดีอกดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการคอยดูแลรักษาทุกข์กับการสูญเสียเวลาเสียไปก็เสียใจเวลาได้เงินมาดีใจเสร็จแล้วก็ต้องมากังวลแล้วว่าจะไปเก็บไว้ที่ไหนดี จะไปทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มันหายทำอย่างไรให้มันงอกงามขึ้นมาอีกก็ต้องนั่งปวดหัวกับการไปหาธนาคารหาการลงทุนวิธีต่างๆจะซื้อหุ้นดีหรือจะซื้อตึกดีจะอะไรซื้ออะไรมันก็มีมันมีมันมีปัจจัยเสี่ยงทั้งนั้นซื้ออะไรก็อาจจะแจ้งได้ลงทุนอะไรก็อาจจะแจ้งได้ เนี่ยมันก็เลยมาสร้างความปวดเสียนเวียนก้าวให้กับการมีเงินมีทองเวลาไม่มีเงินมีทองก็ไม่ต้องมานั่งคิดให้เสียเวลาเอาเงินทองไปทำบุญแล้วรู้สึกสบายใจอิ่มใจสุขใจอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องทำอะไรนี่คือถ้ามีเงินทองต้องคิดแล้วว่าจะไปใช้ซื้ออะไรดีไปเที่ยวที่ไหนดีไปทำอะไรดี จิตใจก็ต้องวุ่นวายไปกับการคิดใช้เงินใช้ทองหรือวุ่นวายกับการเก็บเงินเก็บทองรักษาเงินรักษาทองแทนที่จะมีความสุขใจสบายกับต้องมาวุ่นวายกับข้าวของเงินทองที่หามาได้อยงนั้นถ้าไม่มีข้าวของเงินทองก็ไม่ต้องมาคิดให้ปวดหัวมีเงินทองเท่าไหร่ก็เอาไปทำบุญเลย ทำบุแล้วใจจะอิ่มใจจะสุขใจจะสบายใจจะไม่หิวกับการอยากได้เงินได้ทองไม่มีเงินทองก็ไม่เดือดร้อนมีความสุขจากการไม่มีเงินทองดีกว่ามีความสุขจากการมีเงินมีทองเพราะเงินทองถ้ายังมีอยู่กับเรานี่มันกัดเราได้มันทำให้เราวิตกกังวลได้ มันทำให้เราเสียอกเสียใจได้ถ้าไม่มีแล้วมันก็ไม่กัดเรามันกัดเราไม่ได้เมื่อมันไม่อยู่กับเรามันก็ไปกัดกับคนอื่นไปกัดกับคนที่มีเงินมีทองนี่คือวิธีแรกของการกาจัดความทุกข์และสร้างความสุขให้กับใจถ้าเรามีเงินทองมากจนเกินไปเราก็ เอาไปทำบุญทำทานเอาไปช่วยเหลือพื่นคนที่เขาตกทุกข์ยากได้ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเพราะโลกดานี้เป็นโลกที่ไม่เสมอภาคกันคนเราเกิดมามีบุญมีบาปติดตัวมามากน้อยไม่เท่ากันก็เลยมีความสุขมีความทุกข์มากน้อยไม่เท่ากันแต่เราก็ควรที่จะช่วยเหลือกันเพราะเราก็ไม่แน่ว่า โอกาสหน้าเราอาจจะทุกข์ยากลําบากก็ได้ไม่มีใครรู้เพราะโลกเหล่านี้เป็นโลกที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนวันนี้เรารวยพวกนี้เราอาจจะยากจนก็ได้ถ้ามีการช่วยเหลือกันคนที่มีช่วยเหลือคนที่ไม่มีโลกก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมีเมตตาต่อกันมีความรักกันเป็นมิตรกัน ดีกว่าอยู่กันเป็นแบบเป็นศัตรูกันแก่งแย่งชิงดีกันนี่คือวิธีของของพระพุทธเจ้าของการที่จะยกระดับจิตของเราให้อยู่เหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องมาหยุดกามตันหาก่อนความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ด้วยการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆให้เราเอา เ, อาเงินที่เราจะมาซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เอาไปทําบุญทําทานเพราะการเอาเงินซื้อความสุขก็เท่ากับการซื้อภพชาติซื้อการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันจะทำให้เราติดความสุขแบบนี้ เวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่อีกเพราะเรายังอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดต่อไปและคราวหน้าการกลับมาเกิดของเราอาจจะไม่รวยก็ได้อาจจะยากจนก็ได้ เพราะถ้าชาตินี้เราไม่ทําบุญทําทานเลยเอาแตา่เอาเงินทองนี้ไปซื้อแต่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือไม่เะนั้นก็เก็บสะสมมาไว้เพราะกลัวยากกลัวยากจนกลัวจะอดอยากขาดแคลนก็เลยไม่ยอมเอาเงินไปทําบุญทําทานพอกลับมาเกิดชาติหน้าก็มาแบบยากจนเพราะชาตินี้ไม่ได้ทาบุญทาทาน ซึ่งเป็นเหมือนกับเอาเงินฝากธนาคารนั่นเองพอเราไม่เอาเงินฝากธนาคารพอเวลาเราต้องการเบิกเงินจากธนาคารมันก็ไม่มีเงินให้เราเบิกการทําบุญทําทานนี้ก็เป็นเหมือนกับเอาเงินฝากไว้ในธนาคารเผื่อว่าถ้าเรายังไม่สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่ เราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่ยากจนเราจะมีเงินทองที่เราได้ได้จากการทำบุญทาทานนี้มาสนับสนุนเราต่อไปในอนาคตได้แต่ถ้าเราไม่ต้องกลับมาเกิดก็ไม่เป็นนั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเรามีไว้สำหรับเผื่อไว้เท่านั้นเอง เป้าหมายที่แท้จริงของการทําบุญทำทานนี้เพื่อตัดภพตัดชาติตัดความอยากที่จะพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันเราต้องมาตัดความอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากที่จะได้รับรางวัลรับการยกย่องสรรเสริญอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส เพราะความอยากเหล่านี้มันจะเป็นเหตุที่จะพาให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อ ย, อยมาทุกกับการมีร่างกายมาทุกกับการแก่การเจ็บการตายของร่างกายอันนี้เป็นเป้าหมายของการทำบุญทาทานเพื่อกําจัดความอยากได้เงินมากๆให้ให้อยากได้เงินเท่าที่จำเป็นหาเงินหาทองเพื่อให้มี ปัจจัยสี่มาดูแลร่างกายพอมีเหลือเฟือพอเพียงแล้วก็ควรที่จะพอถ้ามีมากไปกว่านั้นก็เอาไปแบ่งปันเอาไปแจกใจ่ายให้แก่ผู้ที่เขาอดอยากขาดแคลนจะได้ความสุขมากกว่าเอาเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไปเที่ยวไปเล่นไปไปดูไปฟังอะไรต่างๆ เลืไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราต่างๆเพราะว่ามันจะเป็นความมันจะเป็นเหตุที่จะดึงให้จิตต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเอาไปเอาเงินไปทําบุญทำทานนี้มันจะลดความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆมันก็จะลดความอยากที่จะพาให้กลับมาเกิดกําลังของความอยากก็จะน้อยลงไปนะ พบชาติก็จะน้อยลงไปความทุกข์ที่เกิดจากการมีพบมีชาติต่างๆก็จะน้อยลงไปนะนี่อันดับที่หนึ่งของการายกระดับจิตให้ออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือต้องลดความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแทนที่จะหาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นนสดก็หาความสุขจากการทำบุญทำทานดีกว่าการทำบุญทำทานให้ความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่อิ่มที่สบายไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการไปซื้อรูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆมาเสพได้แล้วก็หิวสุขเดี๋ยวเดียวมันไม่ได้เป็นความสุขแบบอิ่มแบบพอสุขสุขแป๊บแล้วเดี๋ยวก็หายไป แล้วความหิวความอยากเสพก็จะกลับมาอีกแล้วมีอยากจะเสพมากกว่าเดิมอีกคนที่เสพ ร, รูปเสียงเกล็ดลดรังสังเกตดูตอนตั้งก็เสพเสพนิดหน่อยพอเสพแล้วก็ติดก็อยากจะเสพมากขึ้นคนสูบบุหรีน่นี่ตอนต้นสูบทีละมววันละมวลสองมวนต่อไปก็เพิ่มเป็นห้าหกมวลต่อไปก็เพิ่มไปเรื่อย เพรยิ่งเสพมันยิ่งหมันยิ่งหิวต้องเสพอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขดื่มโซดาก็เหมือนกันดื่มกาแฟาก็เหมือนกันทําอะไรก็เหมือนกันพอทําแล้วมันจะติดแล้วมันอยากจะทําเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและเวลาที่ไม่ได้ทําก็จะเกิดความอึดอัดลาคาญใจไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจขึ้นมา นี่คือปัญหาถ้าเราเอาเงินไปซื้อความสุขทางรูปเสียงกลิน่นรสมันจะทําให้เราติดแาจะเหมือนคนติดยาเสพติดและเวลาที่เราไม่มีจะเสพเราก็จะทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราเอาไปทาเอาเงินไปทําบุญทาทานนี้มันไม่มีผลเหล่านี้ตามมาทาบุญทําทานเราจะรู้สึกอิ่ออก อิ่มใจสบายอกสบายใจไม่รู้สึกหิวอยากจะดูนั่นฟังนี่ไปนู่นมานี่ไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่อยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขนะล้ำไม่ได้ดูไม่ได้ฟังอะไรก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละเป็นการหาความสุขที่ที่ถูกต้องหาความสุขตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนใ ห, ห้หาด้วยการทำบุญทาทาน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เรือสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีความต้องการเหมือนเราเขาก็ต้องการปัจจัยสี่เหมือนเราถ้าเขาขาดแคลนเนื่องปัจจัยสี่เราก็ควรที่จะช่วยกันสนับสนุนกันเพื่อจะได้บรรเทาความทุกข์ยากลําบากของเขาแล้วจะทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจเป็นความสุข ที่แท้จริงและเป็นความสุขที่จะอยู่ติดกับใจเป็นเวลานานและจะติดไปหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วบุญที่เราทำนี้มันไม่ได้หายไปมันยังอยู่กับใจเราแล้วมันจะสนับสนุนดวงวิญญาณของเราให้มีความสุขดวงวิญญาณที่มีความสุขก็คือพวกที่ไปสวรรค์นี้หรือเป็นหรือพวกเทวดานี้เอง ้าเราไม่ได้ทำบุญใจเราจะไม่มีความสุขใจเราจะมีแต่ความหิวโหยเหมือนกับตอนที่เราเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันพอไม่มีเงินใช้มันก็จะรู้สึกหิวโหอยอดอยากใจก็จะเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ที่เอาเงินไปไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย เวลาตายไปนี้จะไม่มีบุญมาให้ความอิ่มใจสุขใจจะมีแต่ความหิวความอยากที่เกิดจากการใช้เงินไปซื้อความสุขทางตาหูทางรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยก็จะเป็นใจที่หิวโหวยใจที่ไม่มีความสุขก็เป็นใจที่ไปอยู่ในอบายเป็นเปรตบ้างเป็นนสัสลรกายบ้างไปนรกบ้างนี่คือ เรื่องของจิตใจของพวกเราที่ยังติดอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดเบื้องต้นเราก็ต้องม า, าดึงใจให้ออกจากการไปเกิดในอบายกันก่อนเพราะการไปเกิดในอบายนี้มันทุกข์มากกว่าการไปเกิดในสวรรค์ในสวรรค์นี้มีความสุขไปอบายมีความทุกข์ดังนั้นสิ่งแรกพระเจ้าสอนให้เราทำก็คือถ้าเรามีเงิน เหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปทาบุญทาทานไปซื้อสวรรค์กันดีกว่าแล้วก็อย่าไปทำบุญทาทานแล้วเราก็อย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปทำบาปเนอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปรักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดประเวณีอย่าไปพูดปดดื่มสุรายาเมาแล้วเราก็จะปิดกัน้น อ, อบายได้ เพราะถ้าเราไม่ได้ทําบาปจิตใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายถ้าเราทําบุญจิตใจของเรายเย็นเย็นมีความสุขพอเวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็จะไปเกิดในสวรรค์ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆอันนี้เป็นขั้นของการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปเพื่อให้ได้หลุดออกจาก ของการเวียนว่ายตายเกิดตามลําดับต่อไปเบื้องต้นสอนให้ทําบุญทําทานให้รักษาศีลห้าเมื่อทําบุญทําทานได้รักษาศีลห้าได้แล้วขั้นต่อไปก็ให้มารักษาศีลแปดให้หัดเพิ่มการรักษาศีลแปดเพื่อที่เราจะได้ดังนับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เอง ผู้ที่ถือศีลแปดนี่ก็เพิ่มอีกสามข้อสามข้อนี้ก็มีเพื่อห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสศีลข้อที่สามก็ให้เปลี่ยนเป็นจากกาเมสุมิชฌาจารามาเป็นอ ร, รัมจาริยาแปลว่าไม่ร่วมหลับนอนกับใครถ้าถือศีลห้าก็ให้ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนได้ แต่ห้ามร่วมหลับนอนกับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นสามีภรรยาของตนนะฮะแต่ถ้าถือศีลแปดก็จะห้ามไม่ให้หาไม่ให้ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนเพราะไม่อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสของสามีของภรรยานั่นเองอยากจะยุติหยุดความอยากเสพกามกันเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันด้วยการเสพ ด้วยการร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนถ้าต้องการที่จะดึงจิตให้สูงขึ้นให้ออกจากกามมาพบก็ต้องหยุดยดติการเสพกามนั่นเองพบที่เราเวียนว่ายตายเกิดนี่มีอยู่สามพบเป็นแบ่งเป็นสามระดับ แบ่งตามความสุขของภพแต่ละภพการมาภพนี้มีความสุขน้อยกว่ารูปภพรูปภพมีความสุขน้อยกว่าอารูปภพถ้าเราอยากจะยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นเราก็ต้องออกจากกามาภพในการมาภพก็มีแบ่งชั้นระหว่างอบายกับสวรรค์ ตอนต้นเราก็ต้องดึงใจของเราให้ออกจากอบายด้วยการไม่ไปทำบาปรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์พอรักษาศีลห้าบริสุทธิ์จิตก็จะไม่ตกลงไปในอบายแต่ยังติดอยู่ในภพของมนุษย์ของเทวดาอยู่ถ้าอยากจะขึ้นสูงกับภพบของมนุษย์นุษยเทวดา ก็ต้องมาเพิ่มศีลห้าเป็นศีลแปดมาลัก้ับการเสบรูปเสียงกิน่นดคือเสบกามนี่เองเพื่อที่เราจะได้ออกจากกามะภพถ้าเรายังเสบกามอยู่เราก็ยังติดอยู่ในกามนะภพถ้าเราเลิกเสบกามได้เราก็จะเลื่อนสู่รูปะภพและอรูปะภพตามลำดับนะนะการการถือศีลแปดท่านเรียกว่าเป็นการออกจากกามนะภพ ถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอยากจะไปเกิดเป็นพรหมก็ให้หัดมาถือศีลแปดกันแล้วก็ต้องมาฝึกจิตทําจิตให้สงบให้เข้าฌานให้ได้เข้ารูปฌานก็จะได้รูปภพเข้าอารูปฌานได้ก็จะไปสู่อรูปภพเนี่ยอย่างนี้ เป็นขั้นตอนของการที่เราจะยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นไปเพื่อให้ได้ออกจากภพของการออกจากตายภพต่อไปขั้นต้นก็ถือศีลห้าทำบุญทําทานก็จะได้อยู่ในการมาพบแต่เป็นส่วนที่มีความสุขคือสวรรค์หรือเป็นมนุษย์แล้วพอเรามีกำลังที่จะ ปฏิบัติเพิ่มได้ก็มาถือศีลแปดกันเช่นวันพระนี่ถ้าเราเคยถือศีลหา้าตามปกติวันพระเราก็ลองมาหัดถือศีลแปดกันดูอาจจะเริ่มจากน้อยไปหามากอาทิษฐานครั้งหนึ่งก่อนพอวันพระทีก็มาถือศีลแปดกันสักครั้งหนึ่งมาระ ง, งับการเสพกามไม่ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตน ไม่เสพไม่เสพกามจากการรับประทานอาหารตามความอยากรับประทานอาหารเพื่อให้เป็นยารักษาร่างกายรับประทานพอประมาณพอให้อยู่ได้ก็พอไม่ใช่รับประทานตามความอยากถ้ารับประทานความอยากมันก็เรียกว่ายังเสพกามอยู่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหาร รับประทานพอประมาณพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้รับประทานไม่เกินเที่ยงวันก็พอแล้วสําหรับการเลี้ยงดูร่างกายรับรองได้ว่าร่างกายไม่ตายถ้าไม่ได้กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าได้กินอาหารตอนเช้าวันละมือ้อสองมื้อนี้ก็รับรองได้ว่าร่างกายจะไม่มีจะไม่ได้ตายจากการอดอาหารอย่างแน่นอนนี่เป็น ข้อที่สองของการมานังงับการเสพกา ร, รเรื่องของการรับประทานอาหารให้รับประทานพอประมาณไม่เกินเที่ยงวันแล้วก็ข้อที่สามของศีลแปที่เพิ่มขึ้นก็คือ ให้เรายุติการหาความสุขจากมหรสลพบันเทิงต่างๆเช่นการร้องล้ำทำเพลงดูหนังฟังเพลงดูดิเกไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆตามมหัศลงมหรสลศพลงละครอะไรทำนองนี้ไม่ให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเหล่านี้ แล้วก็ให้ระ ง, งับการเสริมสวยความงามของร่างกายไม่ต้องมาแต่งหน้าทาปากทำเเผาทำผมแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าผ่อนที่มีสีสันวิจิตพิสดารมันเป็นความสุขประเดียวประดาวเอาเวลาที่จะมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านี้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่า ก็เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของการเสพกามนั่นเองคืยความสุขจากการทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นฌานขึ้นมาให้เข้าฌานความสงบของใจนี้ก็แบ่งเป็นขั้นขั้นเป็นฌานความสงบขั้นที่หนึ่งก็เรียกว่าฌานขั้นที่หนึ่งสงบขั้นที่สองก็เรียกว่าฌานที่สองมีอยู่สี่ขั้นสาหรับรูปฌาน และอารูปปัจจานก็มีอีกอยู่สี่ขั้นด้วยกันรวมเป็นแปดขั้นรูปปัจจานนี้ก็สงบสู้อารูปปัจจานไม่ได้เวลาปฏิบัติไปจิตจะค่อยๆสงบไปตามขั้นของมันเอมันจะเป็นของมันไปตามลําดับเพียงแต่ขอให้เรามีเครื่องควบคุมจิตใจไม่ให้คิดปรุงแต่ง คือให้มีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งพอจิตไม่คิดปรุงแต่งจิตก็จะเริ่มสงบไปตามลำดับไปสู่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่แล้วถ้าได้ขั้นที่สี่ของรูปฌปานแล้วถ้านั่งต่อไปได้มีสติควบคุมใจให้สงบยิ่งไปกว่านั้นได้ก็จะเข้าสู่ระดับอรูปฌานต่อไป อารมูปฌานก็มีอีกสี่ขั้นด้วยกันเป็นรูปฌานสี่อารมูปฌานสี่ความสุขของรูปฌานก็สู้ความสุขจากอารมูปฌานไม่ได้ไมโครโฟนตัวหนึ่งลำโพงตัวหนึ่งมันเสียแล้วเนะี่ยแอดมินอยู่ไหนไม่รู้มันก็ดีคือวิธีที่จะยกระดับจิตให้สูงขึ้นไปให้มีความสุข มากขึ้นไปตามลำดับแล้วพอเราได้เข้าสู่รูปประชานหรืออรูปประชานจิตก็จะไปเกิดในพรหมโลกในรูปประพบในรูปประพมหรืออรูปประพมตามกำลังของฌานที่เราได้สร้างกันไว้แต่ การที่เราได้ยกระดับจิตให้อยู่ในระดับพรหมโลกก็ดีหรือในเทวโลกก็ดีนี้ก็ยังเป็นการเข้าไปอยู่ชั่วคราวคือถ้าเร า, เอาพอเราตายไปเราไปเกิดในพรหมโลกพอบุญที่ส่งให้เราไปอยู่พรหมโลกมันอ่อนกำลังลงจิตของเราก็จะ เลื่อนลงกลับมาใหม่ได้จากพรหมโลกก็จะมาอยู่เทวโลกอยากเทวโลกก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปแล้วก็จะกลับมาสร้างบุญสร้างกุศลกันใหม่ต่อไปถ้าเราอยากจะไปแบบไม่กลับพอเราไปถึงพรหมโลกแล้วถ้าเราไม่อยากจะกลับมา เกิดเป็นเทวดากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ต้องมาสร้างปัญญากันให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เราเห็นว่าการที่จิตของเราจะตกลงมาต่ำก็เพราะความอยากนี้เองเห็นอริยสัจสีเห็นว่าความอยากนี้จะดึงจิตใจของเราให้กลับมาต่ำถ้าเราไม่อยากจะให้จิตใจตกลงมาต่ำ เราก็ต้องคอยกำจัดความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจของเราให้หมดไปาการจะกำจัดความอยากได้ก็ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นให้ความสุขเราชั่วคราวเป็นอ น, นิจจัง เ, เมื่อมันเป็นอ น, นิจจังมันก็จะเป็นทุกข์ต่อไปเวลาความสุขที่ได้มาหายไปความทุกข์มันก็จะเข้ามาแทนที่ถ้าเรา ไม่ต้องการให้จิตของเราเสื่อมให้ไม่ให้จิตของเรามีความทุกข์เราก็อย่าไปทำตามความอยากเวลาเกิดความอยากก็ต้องใช้ไตลักษ์เข้ามากาจัดอยากรูปเสียงกฤฤฤฤฤิ่นัดก็ให้รู้ว่ามันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยากในฌานก็ให้รู้ว่ามันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา คือให้กำจัดมันให้หมดความอยากสามประการอยากในกามก็เห็นว่ามันเป็นตายักอยากในรูปประชานก็เห็นว่ามันเป็นตายักอยากในอารูปประชานก็เห็นว่ามันเป็นตายักเมื่อเห็นว่าเป็นตายักความอยากในกามก็จะหยุดไปความอยากในรูปประชานอารูปประชานก็หยุดไปพอความอยากทั้งสามที่ดึงจิตให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด มันยึดถูกทำลายไปหมดการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบก็จะสิ้นสุดลงจิตก็จะอยู่เหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดจิตจะได้โลกตระทธรรมนี้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคําสอนมาสอนพระอริยสัจสี่มาสอนตายรักอริยรรสัจสี่กับตายรักนี้เป็นความรู้เฉพาะ ของพระพุทธเจ้าไม่มีศาสนาไหนที่จะรู้ไตรักรู้อริยสัจสี่ลองไปศึกษาศาสนาไหนดูก็ตามจะไม่มีศาสนานั้นสอนเรื่องอริยาาสัจสีหรือใตรักเลยจะมีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นเพราะอันนี้เป็นเป็นการค้นพบของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถค้นพบอริยสัจ ส, สีกับตายรักษ์ได้ด้วยตนเองยกเว้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นซึ่งนานๆจะมีคนแบบพระพุทธเจ้ามาค้นพบสักครั้งหนึ่งเมื่อมาค้นพบแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ไม่รู้กันพวกเราถ้ามาเกิดในช่วงที่มีคาสอน มีสอนเรื่องตายรักสอนเรื่องอริยสัจเราก็จะมีหูตาสว่างขึ้นเราก็จะได้รู้ว่าเราเราเวียนว่ายตายเกิดกันได้อย่างไรและเราจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดกันได้อย่างไรในช่วงที่มีพระพุทธศาสนาก็เป็นช่วงที่เราจะได้มีโอกาสหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสักครั้งหนึ่ง ถ้าเรามาเกิดในช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของเราเราจะไม่รู้ว่าอะไรพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันและเราจะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถึงทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะได้มาเจอบัณฑิตคือเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พอเราได้เจอบัณฑิตถ้าเราเข้าหาบัณฑิตเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องอริยสัจสีเรียนรู้เรื่องอาตายรักเรียนรู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราเะีถ้าพวกเราไม่มาวัดกันไม่มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันพวกเราอาจจะคิดว่าตายแล้วสูญกันก็ได้พวกเราจะไม่เชื่อว่า หลังจากที่เราตายหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรายังไปเกิดต่อและก่อนจะไปเกิดต่อก็ไปรับผลบุญผลบาปต่อก่อนทาบาปไปไว้ก็ต้องไปรับผลบาปในอบายทำบุญไว้ก็ไปรับผลบุญในสวรรค์ก่อนพอผลบุญผลบาปที่เราได้รับหมดแล้วเราก็ค่อยมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ และก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้มากาจัดความอยากทั้งสามที่มีอยู่ในใจของพวกเรานั่นเองคือความอยากเสพลูกเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็น <Yeah. S 1> มันก็จะพาให้เรากลับมาเกิดโดยอัตโนมัติจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามไม่เป็นอุปสรรคต่อการ การที่ดวงวิญญาณของเราจะกลับมาเกิดใหม่เพราะมันเป็นความจริงถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ถ้าเราเห็นโทษของการเกิดแก่เจ็บตายเราก็จะต้องมาหยุดความอยากทั้งสามนี้ด้วยการปฏิบัติตามคำส่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราทำบุญทำทานรักษาศีลห้ารักษาศีลแปด แล้วก็มาหัดทรรมสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็มาศึกษาไตรลักษณ์ศึกษาอริยสัจสี่ให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเ mm hmm. มื่อเห็นมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะสามารถหยุดความอยากทั้งสามที่ดึงให้จิตใจของเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันได้ mm hmm. อันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีบัณฑิตคือ มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เมื่อมีบัณฑิตแล้วถ้าเราไม่เข้าหาบัณฑิตเราก็ยังจะไม่ได้รับประโยชน์จากบัณฑิตถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อในความสามารถของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าจะทำให้เรานี้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ จะทำให้เรามีความสุขไปตลอดได้เราก็จะเข้าหาบันเด็จกันอย่างวันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้ศรัทธาญาติโยมหยุดภารกิจการทำงานต่างๆเพื่อจะได้มีเวลาว่างเข้าหาบันเด็จกัน เข้ามาศึกษามาฟังคําสั่งคําสอนความรู้ของบัณฑิตที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราได้อย่างสูงสุดคือให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันให้เรารู้ว่าเราไม่เราตายแล้วไม่สูนร่างกายสูนแต่ใจของเราไม่สูนไปกับร่างกายใจของเรายัางต้องไปเกิดต่อ เพราะเรายังมีความอยากอยู่ในใจของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการเข้าหาบัณฑิตเข้าหาคบบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าจะทำให้เรารู้ ป, รปัญหาของเราอยู่ที่ตรงไหนและเราจะควรจะแก้ปัญหาของเราได้อย่างไรให้มันไม่มีปัญหาอีกต่อไป ทุกวันนี้วิธีแก้ปัญหาของเราไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะแก้อย่างไรก็ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะแก้ปัญหาต้องยุติการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเมื่อเราไม่มาเกิดแก่เจ็บตายปัญหาต่างๆที่เรามีอยู่กันในปัจจุบันนี้มันจะไม่มีเลยวิธีที่จะแก้ต้องมาแก้ที่ ตัวที่ฉุดลากให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันก็คือความอยากสามประการนี้กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาและสิ่งที่จะมาแก้ความอยากทั้งสามได้นี้ก็คือการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิการศึกษาธรรมฟังเทศฟังธรรมศึกษาพระอริยสัจสี่ศึกษาใตา่ลับนี้เองถ้าเราปฏิบัต ทำเหล่านี้ได้เราก็จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ว่าเราจะสามารถกําจัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวฉุดกใจของเราให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้มันหายไปหมดพอไม่มีตัวมาฉุดกใจใจก็ไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใจก็อยู่ที่พระนิพพาน ใจที่ไม่มาเวียนไหว้าตายเกิดเราเรียกว่าพระนิพพานนี่ก็คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาบัณฑิตตามที่พระพุทธเจ้าสงสอนไว้เท่ากับหาบัณฑิตก็จะได้โลกุตละธรรมได้หลุดพ้นจากการเวียนไหว้าตายเกิด ถ้าคบคนพาลก็จะพาให้เราเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆเพราะคนพาลก็จะชวนให้เราไปหาความสุขจากกามาตัาหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหานี้เองถ้าคบคนไม่ ม, ไมีไม่มีปัญญาเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวไปหาเงินหาทองไปชอปปิ้งไปซื้อข้าวซื้อของไปหาแฟนหาอะไรกัน ห่อยที่เขาไม่รู้ว่านี่เป็นการไปหาการเวียนว่ายตายเกิดไปหาปัญหาต่างๆที่จะตามมาต่อไปแต่ถ้าไปคบบัณฑิตท่านก็บอกว่าไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิไปฟังเทศน์ฟังธรรมดีกว่า แล้วต่อไปปัญหาต่างๆที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้จะหายไปหมดเพราะเราจะไม่กลับมาสร้างปัญหากันนั่นเองเรามาสร้างปัญหากันเองถ้าเราไม่กลับมาเกิดปัญหามันก็ไม่มีนี่คือวิธีแก้ปัญหาอย่างถูกต้องต้องแก้ด้วยการไม่กลับมาเกิดต้องยุติความต้องกาจัดความอยากทั้งสามให้หมดไปจากใจแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ พบแต่ความสุขที่เป็นมงคลอันประเสริฐก็คือการทำนิพพานให้แจ้งนี่อันนี้เป็นมงคลขั้นสูงสุดการทำพรนนิพพานให้แจ้งทำจิตของเราให้เป็นนิพพานขึ้นมาด้วยการปฏิบัติทานศีล ส, สมาธิและปัญญาก็คิดว่าเป็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยทถาวาไรวาหาเปราปะริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเบตานังอุปปักปติอิชิตังปะทิตังตุมหงคิปะเมวะสมิจัตโสัเพปุเรนตตสังกปา จันโทปนาราโสยะาเมณิโชติอราโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันโตสะพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตาราโยสุขีทีคาโยโกภวะ อพิวาทานสีิตสานิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ แต่หลังจากที่เราเลิกไปแล้วก็ของนุถามถามได้แต่เฉพาะช่วงที่เรากำลังประชุมกันอยู่นี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่อย่าถามหลังใหม่เพราะปิดใหม่แล้วก็ไม่ไม่ตอบนะวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ทาง Facebook 408ยู u b บ268 วิทยุออลน์ยี่สิบหกรับฟังบนเขาหนึ่งร้อยสามรวมแปดร้อยห้าค่ะถ้าทางนี้แถวนี้ไม่มีคำถามก็าทางบ้านก่อนก็ได้มีเลยฮะเจนญพูดดังๆเลยนะครับหลนมัสการหลวงพ่อนะครับัอดีผมมีคำถามขอโอกาสถามเรื่องปฏิบัติหลวงพ่อหน่อยครับ พอดีตอนนี้ดูดูดูกายเป็นหลักนะครับหลวงพ่อดูกายแล้วก็ดูดูจิตก็ดูครับเวลาเห็น เ, เวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาครับก็เห็นเวทนาอย่างแรกครับหลวงพ่อดูเวทนาปุ๊บพอดูเวทนาเสร็จเห็นว่าเป็นสุขทุกปุ๊บสุขทุกหายครับผมเหลือแค่ความแน่นเออเหลือแค่ความที่เป็นมีตัวที่มันแน่นขึ้นมาแล้วค่อยๆหายไปอย่างนี้ก็คือปฏิบัติถูกต้องแล้วหรือเปล่าครับหลวงพ่อ ก็ถูกแต่มันถูกแบบไม่ได้ประโยชน์ะครับคือดูแล้วต้องให้มันให้มันหายไปได้ให้มันว่างถึงจะถูกถ้าดูแล้วยังปล่อยให้มันขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้ดูไปจนวันตายมันก็ยังไม่หมดนะเราต้องดูแบบไม่ให้มันขึ้นมาวิธีดูแบบไม่ให้มันขึ้นมาเราก็ต้องขั้นต้นก็ต้องหยุดมันก่อนอย่าให้มันโผล่ขึ้นมา เราต้องใช้สติใช้สมาธิหยุดมันอย่าไปดูพวกนี้เพราะดูพวกนี้มันจะไม่มีวันหมดครับต้องหยุดพวกนี้ด้วยการดูอย่างอื่นแทน ดูลมหายใจดูพุทธโธใช้พุทธโธพุทธโธหรือถ้าเรามีการเคลื่อนไหวทางร่างกายก็เฝ้าดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่หรือไม่เช่นั้นก็ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธอย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าให้มันไปดู ดันดูนี่ครับให้มันหยุดการไปดูต่างๆให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันเป็นสมาธิพอมันนิ่งแล้วอาการต่างๆที่เราเคยดูมันจะไม่โผล่ขึ้นมาพอเราสามารถทําให้มันหายไปได้แล้วขั้นต่อไปเราก็มาดูมันปล่อยให้มันโผล่ขึ้นมา ถ้ามันโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องเอาใช้ปัญญามาหาสาเหตุว่ามันโผล่ขึ้นมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้มันโผล่ขึ้นมาเมื่อเราพบเหตุเราก็ใช้ปัญญาหยุดเหตุนั้นแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาอีกต่อไปอือ mm ัน hmm. นี้เป็นถึงถึงยอถูกขั้นขั้นต้นเราต้องหยุดมันก่อนไม่ให้มันโผล่ขึ้นมา ทำใจให้ว่าขกานต่อไปเวลามันโผล่ขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญามาแยกดูว่าอันไหนมันเป็นโทษหรือไม่เป็นโทษอันที่เป็นโทษก็กำจัดมันอันที่ไม่เป็นโทษก็ปล่อยมันโผล่ขึ้นมาได้ครับ ใจเรามันมีทั้งสิ่งที่เป็นโทษกับเป็นคุณหรือไม่เป็นคุณไม่นี่นเราต้องรู้จักแยกแยะอะไรที่เป็นโทษเราต้องกําจัดมันก็คืออารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆความทุกข์ต่างๆออันนี้เราต้องกําจัดมันเพราะว่ามันมีเหตุทําให้มันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราไปกําจัดเหตุนั้นได้อารมณ์บุญอารมณ์เบี้ยวความทุกข์ความวุ่นวายใจเหล่านั้นจะหายไปได้อื ครับหลวงพ่อถ้าดูเฉยๆมันก็เกิดดับเกิดดับไปแต่มันจะไม่มีวันหายครับอขอบคุณครับหลวงพ่ อ, อวัส ก, กีครับต่อไปมีคำถามฝากถามจากบนเขาค่ะ สมัยที่ผมยังเป็นเด็กที่บ้านได้เลี้ยงสุนักไว้แล้วมีเห็บหมัดมาเกาะกินเลือดของสุนักจำนวนมากผมเห็นแล้วเกิดความโกรธมากครับเวลาเห็นเห็บสุนักเกาะตามฝาบ้านผมนาเทียนจุดไฟไปเผาเห็บสุนักเหล่านั้นเพราะคิดว่ามันเป็นเชื้อโรคไม่ได้เป็นสัตว์มันเหมือนแบคทีรียความคิดนักขณะนั้นครับ ผมจึงใคร่ขอถามพระอาจารย์ว่าเห็บมัดของสุนัขนั้นถือเป็นเชื้อโรคแบคทีเรียหรือเปล่าครับแล้วที่ผมได้ฆ่าเห็บมัดเหล่านั้นไปจะบาปไหมครับก็มันเท่าที่ดูก็รู้สึกว่ามันจะเป็นมีดวงวิญญาณนะพวกนี้เหมือนกับมดเหมือนกับมแมลงฮะมันก็มีความรู้สึกรับรู้เวลามันถูกฆ่ามันก็รู้ว่ามันเจ็บนะ นี่มันก็ถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์มันไม่เหมือนกับต้นไม้หรือแบคทีเรียมันเหมือนต้นไม้ต้นไม้ก็ไปตัดต้นไม้มันไม่รู้มันไม่มีดวงวิญญาณมารับทราบแบคทีเรียก็ถือว่าไม่มีดวงวิญญาณมารับทราบแต่พวกที่เป็นเห็บพวกมันหมัดพวกนี้มันมีดวงวิญญาณไม่เหมือนกับมดเหมือนมแมลงก็ ฆ่ามันก็ถือว่าเป็นการทำบาปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจอเพื่อนร่วมงานที่ชอบเอาเปรียบและชอบตาหนิติดเตียนคนอื่นจิตใจคิดลบตลอดเวลาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกเครียดและอึดอัดมากค่ะแต่ก็ต้องทำงานด้วยกันทุกวันจะมีวิธีไหนที่จะไม่เครียดและเมื่ออยู่กับคนแบบนี้คะเพราะพยายามปรับตัวเข้าหาเขาแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะ เราเคเพราะเราอยากให้เขาไม่ทำตามที่เราไม่ชอบเท่านั้นเองแล้วเราถ้าใช้ปัญญาวิเคราะห์เดียก็รู้ว่าเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้วิธีที่จะทำให้เราไม่เครียดก็คือเราอยากไปอยากให้เข า, าไม่ทำในสิ่งที่เขาทำเท่านั้นเองเหมือนกับเราอย่าไปเปลี่ยนเขาถ้าเขาเป็นส้มก็อย่าไปอย่าไปอยากให้เขาเป็นกล้วยพอเจอเขาที่ไรก็ไม่อยาก ไม่อยากให้ได้ส้มอยากได้กล้วยมันก็เลยเครียดแต่ถ้าเราทําใจเฉยๆว่าเขาเป็นส้มอ่ะเป็นส้มก็เอาว่าส้มก็ส้มอยากก็อยากให้มันเป็นกล้วยมันก็จะไม่เครียด <Yeah. S 2> เราเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาก็เปลี่ยนตัวเขาไม่ได้เขาเปลี่ยนได้เขาก็ต้องพยายามยแต่เราไม่มีเราไม่อยู่ในฐานะที่จะไปบอกให้เขาเปลี่ยนได้นอกจากเข้ามาขอคาปรึกษากับเราว่า เขาเขาดีไม่ดีอย่างไรอถ้าอย่างนี้เราก็บอกเขาได้ว่ า, เ, าเธอไม่ดีเลยเธอชอบพูดตําหนิติเตียนคนอื่นเขาถ้าเธอหยุดได้เธอจะสวยเธอจะดีกว่านี้อแต่ถ้าเขาไม่มาขอคำปรึกษาไม่บอกเขาเดี๋ยวก็ยิ่งทําให้เขาโกรธใหญ่เนีเราก็ต้องทําใจเราให้ยอมรับกับความจริงของเขาตอนนี้เขาเป็นอย่างไรก็ถือว่าเขาเป็นเป็นธรรมชาติเป็นคนแบบนี้ ก็ต้องอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างอื่นแล้วเราก็จะไม่เครียดกับเขาคำถามจากคุณชัชวาลอยากให้ท่านอาจารย์ย่ออธิบายของคำว่าบุญและกุศลอย่างไหนมีอนิสงส์มากอย่างไรครับคือบุญนี้แปลว่าความสุขใจบุญนี่นคือความสุขใจแบบที่ไม่มีพิษมีความสุขแบบไม่มีพิษ ถ้าเป็นผักก็แบบผักปลอดสารพิษไม่มีโรคอะลรนําม า, มาบุญก็คือวิธีทําให้เราสุขใจพระเจ้าสอนไว้สิบวิธีเช่นทําทานรักษาศีลภาวนาอุทิศบุญฟังเทศฟังธรรมมีสัมมาคารวะอนุโมทนาบุญช่วยเหลือผู้อื่นนี่วิธีสร้างความสุขเรียกว่าบุญ เป็นความสุขใจที่ดีกว่าความสุขที่เราหากันจากการไปเที่ยวไปช็อปปิง้งไปซื้อข้าวซื้อของใบมีแฟนคความสุขเหล่านี้มันมีสารพิษติดมามันจะมีความทุกข์ตามมาอนี่คือบุญความสุขแบบของพระพุทธเจ้าส่วนกุศลนี่แปลว่าความฉลาดหรือความรู้นั่นเองกุศล อันนี้ก็คือการศึกษาธรรมะการรู้ผิดรู้ถูกรู้ชั่วนี้เรียกว่ากุศลการกระทําของเรานี้เราต้องมีกุศลทําด้วยกุศลคือทําในสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นคุณไม่ทําในสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นโทษคำว่ากุศลก็คือความฉลาดแต่เรามักจะใช้ควบคู่กันเพราะว่ามันเป็นของ พร้อมกันกุศลนี่เป็นเหตุบุญเป็นผลเนี่ยกุศลคือการรู้ว่าทำอย่างนี้แล้วเกิดความสุขทำอย่างนั้นแล้วเกิดความทุกข์เราก็ทำแต่อย่างที่มีความสุขกุศลเลยเป็นเหตุของบุญถ้าเราไม่มีกุศลเราก็จะไม่รู้ว่าทำอย่างไรเราจึงจะมีความสุขทำอย่างไรเราจึงไม่มีความทุกข์เนี่คนที่ไม่เข้าวันนี่ส่วนใหญ่มักจะทำอะไรแล้วมีความทุกข์ตามมาอยู่เลย ทำแล้วเอ๊ะทำไมมันถึงมีความทุกข์ตามมา ấy. ก็เพราะว่าไม่มีกุศลถ้าอยากจะมีความสุขแบบไม่มีความทุกข์ตามมาก็ต้องมีกุศลมีความรู้บอกเราวิธีทําความสุขแบบไม่มีความทุกข์ทำอย่างไรก็ทําทานรักษาศีลภาวน า, อ, าอุทิศบุญช่วยเหลือผู้อื่นฟังเทศฟังธรรม คำเหล่านี้ไม่มีไม่มีความทุกข์ตามมามีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวคำถามจากคุณกนถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเพ่งไปข้างหน้าโดยกำหนดรู้สิ่งที่เพ่งอยู่ภายในถือเป็นการทำสมาธิได้หรือเปล่าครับกาไม่รู้คุณเพ่งอะไรล่ะมันต้องมีอะไรให้เพ่งอย่างเ น, นต้องเพ่งลมหายใจหรือเพ่งพระพุทธรูปอะไร แต่ต้องหลับตานไม่ใช่เพง่งออกไปข้างนอกตาให้เพ่งเข้ามาใช้ตาหน่อยใจเราอยากจะเพ่งดูรูปพระพุทธเจ้ารูปพระพุทธรูปเราก็หลับตาแล้วนึกถึงพระพุทธรูปที่เราต้องการจะเพง่งแล้วพยายามให้เพ่งอยู่กับพระพุทธรูปนั้นเพยงอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นวิธีธรมสมาธิแต่ถ้าเราเพ่งแบบลืมตานี้ไม่ใช่เป็นวิธีทมสมาธิเพราะว่าตา ตามันจะดึงใจออกข้างนอกเราต้องปิดตาเพื่อให้ใจเข้าข้างในใจจะเข้าเป็นสมาธิได้ตาต้องเข้าข้างในต้องปิดตานอกแล้วเราจะเพ่งอะไรต้องเพ่งแบบหลับตาคำถามจากคุณปาริชาตดวงวิญญาณที่ถูกลงโทษในนรกไม่มีกายเนื้อแล้วทำไมจึงเจ็บปวดจากการถูกลงโทษเจ้าคะก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับเนี นอนหลับเราก็ไม่ใช้ร่างกายร่างกายนอนหลับแต่ใจเราฝันลายเจ็บไหมบาดเจ็บไหมบางทีเหงื่อแตกพลักตื่นขึ้นมานั่นแหละตัวที่ตัวที่สุขทุกข์ไม่ใช่ร่างกายตัวที่สุขทุกข์คือใจคําถามจากร้านเจเล็ก โยมชอบไหว้พระนั่งสมาธิประจำแต่สามีมักตำหนิติดเตียนว่าทำมากไปโยมควรทำอย่างไรดีเจ้าคะเพราะเขาไม่ปฏิบัติเลยและทำทานน้อยมากก็ถ้าเราไม่สนใจเขาได้ปล่อยเขาพูดไปเราก็ทำของเราไปได้ก็ทำไปเขาอยากจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปเราทำอะไรเราก็ทำไปแต่ถ้าเราทำแล้วเกิดไปมีเรื่องมีราวกับเขา ก็อาจจะต้องมาปรับทาความเข้าใจกันคุยกันเจรจากันว่าว่าเขาต้องการเราทําเท่าไหร่ถ้าเรายังอยากจะอยู่กับเขาเราก็ต้องทําตามที่เขาต้องการถ้าเราอยากจะทําตามที่เราต้องการเราก็อาจจะไม่ต้องเราก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเขาเพราะเขาก็อาจจะไม่ชอบเรา ว่าเราอาจจะทำมากเกินไปเลยไม่ไปนอนกับเขามั่งมัว <c oughs> แต่ไปสวดมนต์เขาก็เลยบ่นหรือเปล่า <c oughs> ไม่ทำหน้าที่ของภรรยาหรือเปล่าอถ้าอย่างนั้นก็ก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องการอะไรอ <c oughs> ถ้าเราต้องการสวดมนต์ทำอะไรตามความต้องการของเราแล้วเราไม่ทำหน้าที่ของแม่บ้านเขาก็อาจจะขอไปหาแม่บ้านคนอื่น <c oughs> อันนี้ก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องว่าจะเอากันยังไงดีะ <c oughs> คำสามจากคุณทัศน์สืบเนื่องจากเมื่อวานค่ะอยากจะฝากถามเพิ่มเติมคือตรงสีลข้อสองที่ว่าอนุญาตให้คนอื่นเสกแฟนได้ชั่วคราวที่ว่าไม่ผิดสีนคือไม่ได้ผิดสีนข้อที่สองใช่หมคะแต่ถ้าดูสีลข้อสการแลกแฟนกันเสษ ก, ก็ยังผิดสีนข้อ3ข้อใช่ไหมคะเพียงแต่ไม่ผิดสีนข้อที่สองตรงนี้เข้าใจถูกไหมคะข้อที่สองเขาว่าไงะ ให้ยูมแฟนเงี้ยขอแลกแฟนขอยู่แฟนก็เหมือนยืมเงินและแต่เงินแฟนกับเงินมันไม่เหมือนกันนะสังคมให้คุณค่าระหว่างเงินกับแฟนไม่ไม่เหมือนกันเรื่องของเรื่องของแฟนนี่มันเรื่องของสังคมเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาขึ้นมาอันนี้ก็ทางสังคมก็ไม่นิยมเราก็ไม่ควรทำ เขาไม่นิยมแลกแฟนกันเปลี่ยนแฟนกันเขาให้เป็นของใครของมันคนเดียวกันเพราะไม่ใช่อะไรเขากลัวเดี๋ยวไม่รู้ต่อไปท้องกันมาไม่รู้เป็นลูกใครนะ <c oughs> แล้วมันจะไปยุ่ง <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าให้ให้มีแฟนของตนเองแต่สมัยนี้ก็อาจจะมีมีข้ออ้างว่าเดี๋ยวนี้เขามีคุมกําเนิดกันได้อะไรกันได้ ก็แล้วแต่ก็แล้วกันเพราะว่าข้อสามนี้เขาตั้งไว้สมัยพ่ะพุทธการมันไม่มีการคุมกำเนิดมันไม่มีอะไรสมัยใหม่นี้มันมีอะไรวิวัฒนาการขึ้นมาก็ขึ้นอยู่กับสังคมอันนี้ข้อนี้ขึ้นอยู่กับสังคมถ้าสังคมเปลี่ยนไปศีลข้อนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปตามประเพณีของสังคม ถ้าสังคมเขาบอกเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนต่อไปสังคมก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนกันได้เปลี่ยนแฟนเปลี่ยนสามีเปลี่ยนภรรยาได้เอถ้าทุกคนยอมรับกติกานี้ได้เขาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นตอนนี้ยังถือว่าก็ยังต้องเป็นสามีภรรยาของกันไม่ใช่มาเปลี่ยนกันถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเลิกกันหย่า ก, กันไป แล้วค่อยไปเปลี่ยนกันใจเย็นๆถ้าอยากจะเปลี่ยนก็อย่า ก, กันไปทำให้ถูกถูกกติกาของสังคมแล้วมันจะไม่มีปัญหาไม่ใช่เลยคำถามจากฝากถามบนเขาค่ะถ้านั่งสมาธิแล้ว นั่งพิจารณาดูกายธาตุพิจารณาซ้าๆพุทโธพุทโธเมื่อก่อนสติสามารถพิจารณาดูกายดูธาตุแต่ช่วงหลังนี้เมื่อนั่งแล้วพิจารณากายความจำมันหายไปคือพิจารณาต่อไม่ได้ไม่สามารถนึกขึ้นนึกถึงสิ่งที่กำลังคิดอยู่ได้หรือพิจารณาต่อได้กระพรอาจารย์แนะนำค่ะ อ, อ๋อนั่นเป็นการทำสมาธิไงเราพิจารณาไปพอมัน หยุดพิจารณามันสงบเพราะมันก็หยุดพิจารณาอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้ปัญญาอบรมสมาธิพอมันมนมันไม่พิจารณาก็มันว่างมันสงบก็ปล่อยมันสงบไปเพราะอันนี้คือการทำสมาธิทำใจให้สงบโดยการใช้การพิจารณาร่างกายซึ่งอาจจะเป็นไปได้สำหรับคนบางคนพิจารณาร่างกายไปแล้วใจไม่ไปคิดเรื่องอื่น พอพิจารณาไปเรื่อยๆสักพักมันก็หยุดพิจารณานิ่งสงบไปอันนี้เป็นการทําสมาธิการพิจารณาร่างกายให้เป็นปัญญานี้เพื่อพิจารณาให้เห็นว่านั่งกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่สวยไม่งามมีอาการสามสิบสองร่างกายทํามาจากดินน้ําลมไฟไม่มีตัวไม่ตนนี่คือการพิจารณาทางปัญญา ให้รู้ความจริงของร่างกายเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายร่างกายเป็นเราไม่ไปหลงคิดว่าร่างกายจะอยู่ไปตลอดต้องไม่หลงไปคิดว่าร่างกายเราสวยงามหรือร่างกายของคนอื่นสวยงามเพราะเมื่อดูจริงๆแล้วมันมีส่วนที่ไม่สวยงามเยอะแยะเต็มไปหมดที่เรามองไม่เห็นกันเท่านั้นเองอันนี้คือวิธีของปัญญา เรียนรู้ความจริงของร่างกายเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงผิ ด, ลด ห, ล ง, ดห ả, ลงไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราหลงไปคิดว่าร่างกายนี้จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหลงไปคิดว่าร่างกายนี้สวยว่างามนี่นี่คือปัญญาเป้าหมายของปัญญาเพื่อให้รู้ความจริงของร่างกายเพื<ร>่อเราจะได้ไม่ไปหลงไปทุกข์กับร่างกายนั่นเองตอนนี้เราทุกข์กับร่างกายเพราะเราลืม คิดว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บขึ้นมาเราทุกข์กันใหญ่ถ้าเราไม่หลงไม่ลืมเราก็จะเฉยเฉยว่ามันเรารู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ไปหลงคิดว่าคนนั้นสวยคนนั้นหลอ่อเพราะเราเห็นอาการต่างๆที่เราที่มันอยู่ภายใต้ผิวหนังของร่างกายของคนทุกคนเราก็จะไม่ไปหลงรักใครไปชอบใคร แล้วเราก็จะไม่หลงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเพราะเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปน้ำที่เราดื่มเข้าไปลมที่เราหายใจเข้าไปแล้วมันก็ก่อร่างสร้างตัวเป็นอาการสามสิบสองขึ้นมาแล้วพอมันตายมันก็แยกกลับไปเห็นไหมน้ำก็แยกไปทางลมก็แยกไปทางไฟก็ไปทางหรือแต่ดินก็กลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไป อันนี้เป็นการเรียนรู้ความจริงของร่างกายเท่านั้นเองรู้ว่าร่างกายเป็นอะไรแล้วเราจะได้ไม่ไปไปยึดไปติดไปหลงว่าคิดว่าเป็นของเราตัวเรามันเป็นดินน้ำลมไฟแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเวลาที่มันจะกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปคำถามจากคุณหญิง การฟังเทศขณะนั่งสมาธิควรจะฟังไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลิกนั่งหรือไม่คะหรือถ้าเสียงนั้นช่วยไม่ให้จิตฟุง้งเราควรจะเปิดฟังหลายๆกันหรือไม่คะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการจะฟังมากน้อยเพียงไรบางทีฟังแล้วพอมันสงบเราก็า จ, จะปิดแล้วเรานั่งนั่งนั่งเฉยๆแบบไม่ฟังก็ได้หรือเราจะปล่อยให้มันฟังไปเรื่อยๆแล้วจิตเราสงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งก็ได้แล้วแต่เราออ ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่ความต้องการของเราถ้าเราฟังแล้วมันสงบดีกว่าไม่ฟังเราก็ฟังถ้าไม่ฟังแล้วจิตเริ่มคิดบุงแต่งพุ่งสร้างขึ้นมาก็ฟังดีกว่าคำถามจากคุณกรถ้าในอดีตเราได้ทำบาปฆ่าสัตว์แตใ่ในปัจจุบันรู้แล้วว่าเป็นบาปเราจะทำอย่างไรคะในอดีตที่ทาผิดพลาดไป เอาแน่ดีกก็ต้องใช้มันไปถ้าทําบาปโดยไม่รู้ก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานะยั้นมันห้ามไม่ได้ของเก่าที่ทําไปแล้วก็ก็ต้องรับผลไปแต่เราสามารถอรอให้มันลงอาญาได้เลื่อนเวลาได้ด้วยการพยายามทําบุญให้มากๆไว้ถ้าเราทําบุญไว้มากกว่าบาปเวลาเวลาที่เราตายไปบาปมันยังแสดงผลไม่ได้เพราะบุญมันมีกําลังมากกว่า บุญก็จะดึงใจไปสวรรค์ก่อนพอบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทําบุญใหม่พยายามให้มันมากกว่าบาปไว้เรื่อยๆแล้วเวลาตายมันก็ยังไม่ไปอบาบยยัยแต่มันไม่หายแต่เวลาในาที่บุญน้อยกว่าบาปแล้วในตอนที่เราตายไปตอนนั้นบาปมันก็จะดึงเราไปอบายเราไปล้างลบล้างมันไม่ได้เพียงแต่เราอาจจะรอลงอาญาได้ ด้วยการพยายามทำบุญให้มากกว่าบาปไว้อยู่เรื่อยๆคือให้วิ่งหนีเอาบุญวิ่งหนีบาปบุญง่ายๆถ้าบุญวิ่งเร็วกว่าบาปบาปก็ตามไม่ทันถ้าบุญวิ่งช้ากว่าบาปบาปแซงหน้าเมื่อไหร่มันบาปมันก็จะพาเราไปอาบายเมื่อนั้นคำถามจากคุณเบกกี้ยมขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนที่จะมาเช่าบ้านเพื่อขยายร้านอาหารเดิม รวมอาหารทะเลสดจากต่างประเทศให้สัญญาว่าส่วนที่ทําอาหารสดเป็นๆจะทําที่ร้านเดิมส่วนเช่าเพิ่มที่บ้านจะทําเป็นออฟฟิศกับครัวทำอาหารทะเลที่ตายแล้วขออนุญาตกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าโยมให้เขาเช่าบ้านแล้วเขาไม่ทําตามสัญญาเราจะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกเขาเป็นคนทําก็ปเป็นเรื่องของเขาไป คำถามสกคุณพานิดาช่วงนี้เมื่อออกจากสมาธิมักมีอาการนั่งลืมตาแบบอยากนั่งเฉยๆออยู่ภากใหญ่ๆและรู้สึกมืนหัวควรจะปรับปรุงวิธีการออกสมาธิอย่างไรให้ถูกต้องคะเวลาออกจากสมาธิาให้มีสติออกเวลาลืมต า, าให้มีรู้สึกวากำลังลืมตาเวลากำลังจะลุกก็รู้ว่ากำลังจะลุก หรือด้านออกมาก็จะใช้พุโทโธต่อก็ได้ออกมาก็พุโทโธพุธโทโธไปแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆต่อไปโดยมีพุโทโธคอยกำกับอยู่ก็ได้พุโทโธนี้เป็นสติที่สามารถใช้ได้ทั้งขณะที่เข้าสมาธิและออกสมาธิออกจากสมาธิก็ใช้สติประครับประคองใจต่อไปได้ใจก็จะไม่รู้สึกก็วุ่นวายหรือรู้สึก ที่ไม่ดีต่างๆใจก็ยังจะว่างจะเย็นจะสบายอยู่เพียงแต่ว่าจะไม่สงบเหมือนกับตอนที่นั่งเท่านั้นเองอคำถามต่อเนื่องจากท่านเดียวกันค่ะเกี่ยวกับการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิแบบบริกรรมพุทโธเราสามารถบริกรรมพุทโธโดยไม่ต้องคำนึงลมหายใจได้ไหมคะคือเราจะยึดบริกรรมเป็นหลักอย่างเดียวโดยไม่มีความสัมพันธ์กับลมหายใจเข้าออกเลยได้ความจริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ย บริการพุโทโธก็ไม่ต้องยุ่งกับลมแต่บางคนเ็าอยากจะให้มันกระชับเขาก็เลยไปผูกไว้กับลมอันนี้เป็นเรื่องของของเฉพาะบุคคลบางคนก็ชอบอย่างนั้นก็ก็เรื่องของเขา ถ้าเราบริกรรมจริงๆเราบริกรรมพุโทโธคำเดียวไม่ต้องไปผูกไว้กับอะไรล้ว เ, เราจะได้ทำได้ตลอดเวลาเวลาเราไม่ได้นั่งเวลาเราทำงานเราก็ยังใช้พุโทโธได้อยู่ขับรถเราก็ยังใช้พุโทโธได้อยู่แต่ต้องต้องต้องต้องดูงานที่เราทาเป็นหลักแล้วก็พุโทโธมาไปคอย สนับสนุนอีกทีไม่ใช่พูดโทรไปโดยที่ไม่ดูเวลาขับรถว่ารถตัดหน้าหรือไม่อย่างนี้ไม่ได้ต้องดูรถก่อนทำอะไรก็ต้องดูว่าเรากำลังทำอะไรก่อนแล้วใจมันจะลอยไปคิดเรื่องอื่นก็ใช้พูดโทรเดินกลับเข้ามา คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการใช้ปัญญามาดับความทุกข์ดังที่พระอาจารย์ตอบคำถามแรกเรื่องการปฏิบัตินั้นเมื่อฝึกหยุดจนถึงจุดหนึ่งปัญญาจะค่อยๆเกิดเองหรือเจ้าคะหรือควรพิจารณาอย่างไรคะปัญญาที่เราเคยพิจารณาแล้วมันก็จะคล่องแคล่วว่องไวมาขึ้นเหมือนมีดยิ่งใช้มันยิ่งคมปัญญาที่เรา ได้สร้างขึ้นมาแล้วถ้าเอามาใช้บ่อยๆมันก็จะไวขึ้นไวขึ้นการตัดกิเลสตัดปัญหาตัดความทุกข์ต่างๆมันก็จะไวขึ้นแต่ปัญญาที่เรายังไม่ได้สร้างขึ้นมานี่มันยังไม่มาเราต้องสร้างขึ้นมาใหม่ปัญญาของพระโสดาบันนี้ได้แต่ขั้นโสดาบันถ้าอยากจะได้ขั้นสกิรดาคามีก็ต้องสร้างปัญญาใหม่ขึ้นมาถึงจะสามารถที่จะเอามาใช้ในขั้นของพระสกิาคามีได้ แต่พอมาใช้บ่อยๆมันก็จะชำนาญมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนในที่สุดมันก็จะสามารถกาจัดปัญหาของระดับนั้นไปได้หมดแพอจะขึ้นระดับต่อไปก็ต้องสร้างปัญญาใหม่ขึ้นมาอีกเพราะแต่ละขั้นมันมีโจทย์ที่ไม่เหมือนกันเหมือนทําข้อสอบเนี่ยข้อสอบมีอยู่4ี่ข้อข้อที่หนึ่งก็ถามเรื่อง ฉากเรื่องมุมข้อที่สองก็ถามเรื่องน้ำหนักข้อที่สามก็ถามเรื่องความเร็วอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ความรู้แต่ละระดับมามาแก้โจทย์แต่ละโจทย์อยงนั้นแต่พอใช้ไปแล้วบ่อยๆมันก็จะชำนาญมันก็จะเร็วเร็วขึ้นไปเรื่อยๆ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกท่านค่ะเมื่อเข้าสมาธิจิตสงบมองเห็นร่างกายนอนหายใจเข้าออกพยายามมองดูร่างกายแต่จิตก็ยังพุทโธอยู่อาการเช่นนี้ต้องทำอย่างไรคะเพราะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจิตกับร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะอ๋อยังไม่สงบน ะ, ะสง บ, บจริงๆมันต้องไม่ให้เห็นอะไรเลยนะต้องให้ว่างงั้นพุทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับสิ่งที่เราเห็น มันเป็นทางผ่านยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราต้องการอุเบกขาต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบที่จะทำให้เราอิ่มเราพอไม่หิวไม่โหยกับรูปเสียงกลิ่นรสกับลาบยศสรรเสริญคำถามจากคุณโรส หนูไม่รู้ว่าที่หนูปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าคะหนูนั่งสมาธิดูลมหายใจสักพักพอเกิดความสงบเบาแล้วไม่มีความปวดขาใดๆแต่บางครั้งมีความคิดเห็นขึ้นมาเป็นอีกส่วนหนึ่งหนูรู้ว่าคิด กลับมาดูลมหายใจหนูปฏิบัติถูกไหมคะถูกแล้วอย่าให้มันคิดถ้าว่ามันคิดก็ต้องหยุดมันกลับมาที่ลมหายใจแล้วไปพุโทโธต่อเราต้องการให้จิตหยุดคิดให้นิ่งให้สงบให้ว่างให้เย็นให้สบายคําถามจากคุณขุนศึกพระสายธรรมยุทธห้ามรับปัจจัยเพราะเหตุอันใดขอรับเพราะว่ามันเป็นข้อห้ามมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล แต่สมัยปัจจุบันนี้มีพระบางส่วนท่านมีเห็นความจำเป็นว่าจะต้องมีเงินทองไว้สำหรับใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นเช่นต้องเดินทางไปจากวัดหนึ่งไปอีกวัดหนึ่งไม่มีญาติโยมมารับไปก็ต้องขึ้นรถก็ต้องใช้เงินทองท่านก็เลยอ้างว่าพระพุทธเจ้าก่อนจะจากไปได้สั่ง สงไว้ว่าข้อห้ามบางข้อถ้าสงเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องเลิกก็เลิกได้นั่นก็เลยเห็นว่าการไม่จับต้องเงินทองนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเลิกเพราะถ้าไม่เลิกก็จะไปไหนมาไหนไม่สะดวกจะรอให้มีญาติโยมพาไปสมัยนี้ญาติโยมก็ไม่มีเวลาว่างกันญาติโยมสมัยนี้ต้องไปเรียนหนังสือไปทางานทาการ ไม่เหมือนสมัยก่อนเป็นชาวนาชาวไร่มีเวลาว่างเยอะปลูกข้าวเสร็จเดี๋ยวก็ว่างทั้งวันหลวงพี่จะไปไหนก็พาไปได้แต่สมัยนี้มันทุกคนไปเรียนหนังสือไปทำงานกันพอจะไปไหนมาไหนก็ไปไม่ได้แต่สำหรับชายธรรมยุทธ์เขาบอกว่าไปไม่ได้ก็อยาไปสิ ให้รักษาพระวินัยไว้ยิ่งกว่าความจําเป็นอย่างอื่น <S <S ถือว่าการรักษาพระวินัยเป็นสิ่งที่สําคัญกว่า <S 1> <S 1> การที่จะไปไหนมาไหนทางสายธรรมยุทธ้เขาก็เลยห้ามแม่พระจับต้องเงินทองแต่ให้รับเงินทองผ่านลูกศิษย์ได้ให้ฝากไว้กับลูกศิษย์เวลาจะไปไหนมาไหนก็ให้ลูกศิษย์พาไปเพราะว่ายัางต้องจ่ายค่ารถอยู่ดีเพียงแต่ว่าให้ลูกศิษย์เป็นคนจ่ายให้พระไม่ให้จ่าย เพื่อความปลอดภัยของพระเองเขาจะได้รู้ว่าพระไม่มีเงินติดตัวจะได้ไม่ถูกป้นถูกจี้ถ้ามีเงินมีทองอยู่ในย่ามเดี๋ยวเวลาไปที่ไหนเปลี่ยวเปี่ยก็อาจจะถูกเขาป้นเขาจี้ได้คํถาถามจากคุณกิ่งแก้วสภาพจิตตั้งมั่นคือการที่มีสติรู้ตัวตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าคะก็ตั้งมั่นหลายระดับถ้าระดับสติก็ คือจิตอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธพุธโทโธหรืออยู่กับงานที่เรากำลังทาอยู่ก็เรียกว่าตั้งมั่นอยู่แต่ถ้าตั้งมัน่นแบบสมาธิก็จิตสงบจิตนิ่งสงบจิตไม่คิดปรุงแต่งอันนี้ต้องต้องนั่งเฉยๆถึงจะเกิดขึ้นถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวยังทํานั่นทั้งนี้อยู่ก็ตั้งมั่นอยู่กับเรื่องที่เราให้มันตั้ง ให้มันอยู่กับพุโทโธมันก็อยู่กับพุโทโธให้อยู่กับร่างกายมันก็อยู่กับร่างกายแต่ถ้าเราต้องการให้มันตั้งอยู่บนความสงบเราก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตามันถึงจะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้เห็นคำ ว, ว่าตั้งมั่นก็มีหลายลักษณะด้วยกันลักษณะของสติกับลักษณะของสมาธิไม่เหมือนกันคาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม พี่สาวเอาเงินในบัญชีของแม่ไปรวมกับของตัวเองต่อมาพี่สาวตายและแ ล, แล้วยกเงินนี้ไปให้คนอื่นพี่สาวจะบาปไหมคะและคนที่ได้รับเงินไปจะบาด้วยไหมทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่เงินของพี่สาวก็อยู่ว่าทำถูกหรือเปล่าตอนที่เอาเงินของแม่ไปเนี่ยถ้าแม่อนุญาตให้ไปก็ไม่ไม่บาปถ้าให้เอาไปแบบรักขโมยก็บาป แต่เอาไปให้คนอื่นนี่คนร่าไม่บาปเหมือนยอมขโมยเงินแล้วมาทำบุญที่นี่ไม่บาปนะทำได้แต่ไปล้างบาปไม่ได้เท่านั้นเองบาปที่ยอมทำก็ยังมีอยู่บุญก็ส่วนบุญบุญที่มาทำก็ได้บุญทีนี้กำลังของบุญกับบาปวันนี้อันไหนมากกว่ากันไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็สมมติว่าถ้าขโมยมาร้อยหนึ่งแล้วไปทำบุญ มดนี้ก็อาจจะเท่ากันแต่ถ้าขโมยมาร้อยแล้วไปทำบุญห้าสิบบุญก็ยังน้อยกับบาปยังล้างบาปไม่หมดยังสู้บาปไม่ได้บาปยังมีกำลังมากกว่าบาปก็ยังส่งผลได้อยู่คำถามจากคุณดิษยาเวลาจะพิจารณาอสุภะสามารถทำได้ในขณะลืมตาหรือไม่เจ้าคะหรือควรทำหลังจากทำสมาธิให้สงบในระดับหนึ่งแล้วเริ่มพิจารณาอสุภะ คือความพิจารณาสุภาษนี่พูดความจริงก็พิจารณาได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่อยู่ในสมาธิเวลาในสมาธิจิตไม่คิดพิจารณาไม่ได้แต่วเวลาออกจากสมาธิมาหรือไม่ได้อยู่ในไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็นึกได้หมอเป็นหมอเขาก็นึกถึ ง, งสุภาษได้เพียงแต่ว่าจะนึกได้นานต่อเนื่องมากน้อยเท่านั้นเองสาหรับคนที่ไม่มีสติ หรือมีสมาธิมากนี่จะนึกไม่ได้นานนึกได้แวบสองแวบก็ลืมแล้วไม่ไม่นึกแล้วแต่การพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ถึงกับการมากำลัดกำจัดการมาราคะได้นี่มันต้องคิดอยู่ตลอดเวลาให้มันทันกับการมาราคะอันนี้ก็ต้องมีอาศัยมีสมาธิมากถึงจะสามารถพิจารณาได้ตลอดเวลา ถ้ามีสมาธิน้อยพิจารณาได้แวบสองแวบก็ลืมแล้วไปคิดเรื่องอื่นต่อแล้วก็จะไม่ทันเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาบางทีก็หายไปหมดแล้วอาสุภะที่เคยพิจารณาอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเราต้องการพิจารณามากน้อยเพียงไนถ้าต้องการพิจารณามากก็ต้องอาศัยกำลังของสมาธิช่วยถ้ามีสมาธิมากก็จะพิจารณาได้มากได้นานถ้ามีสมาธิน้อยก็พิจารณาได้น้อยเนี่ย พิจารณาได้ไม่มีสมาธิก็พิจารณาได้แต่แวบสองแวบเนี่ยแล้วก็ลืมไปละแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาพิจารณาใหม่เห็นถ้าต้องการพิจารณาแบบมากๆให้มันฝังอยู่ในใจไม่ให้หลงไม่ให้ ล, มลืมมันก็ต้องมีสมาธิมากมันถึงจะทำได้แต่ต้องทำเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเท้ามาหากัสปะในอดีตชาติคือใครมีความสำคัญอย่างไรในพระพุทธศาสนาคะ อ, อันนี้ต้องไปค้นหาใน Google ดูดีกว่าในพระไตรปิฎกนะเพราะเราไม่ได้ศึกษามาอันนี้หมดเวลาแล้วนะวันนี้คิดว่าพอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิตพิจารณาไปปฏิบัต